จะให้ฟังชาดกสักเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวกับพระประเจกพระพุทธเจ้าในคุธการนิกายชาดกเนี่ยนะเล่ม62ถึงโสนะโนากาชาดกเรื่องนี้เมื่อภาษาสดาประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะ พระองค์ปรารบถึงเนคขมมะบารมีก็เลยตรัส ธ, ธรรมเทศนาคือชาดกเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระประเจกได้ยินว่าในครั้งนั้นนะเรื่องราวเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้พระองค์ตรัสชาดกมีอยู่ว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในท่ามกลางแห่งภิกษุทั้งหลายผู้กําลังพันนาคือสรรเสริญถึงเนคขมมะบารมีของพระพุทธเจ้าณนะรงค์ธรรมสภาว่า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 ก็เลยจัดแจงข้าวปลาญาติปูาราเสนาสะนะพอเห็นกุมารทั้งสองนั้นเดินมาก็เชื้อเชิญให้เข้าไปในเรือนให้นั่งบนอาสนะที่ตระเตรียมเอาไว้คือคนอินเดียหรือคนแขกไงปกติเขาก็ชอบทำบุญเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดานะเขก็เชื้อเชิญสมณะพราหมณ์บางช่วงถ้ารัฐริวรณะเคร่งครัดมากเขาก็เชื้อเชิญคนวรณะพราหมณ์าานนะมา บริโภคบางช่วงก็นับถือพวกนักบวชก็เชิญพวกนักบวชลัที่ต่างๆมาบริโภคอาหารที่บ้านอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของเขาส่วนหนึ่งนี่ก็พอเห็นนั้นก็คือเชื่อเชิญกุมารทั้งสองเนี่ยนะเขาก็นับถือว่าคนวันณะสูงเอาไปเลี้ยงอาหารได้และด้วยบุญเยอะเนี่ยนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งบนอาสนะปูลาดที่ทําด้วยผ้าจากแคว้นกาสีเป็นผ้าขาวสะอาดบนอาสนะ ผ้าจากแคว้นกาสีสีขาวเนี่ยปูราดเอาไว้สําหรับพระโพธิสัตว์แล้วก็ปูราดผ้ากําพลสีแดงเรียกว่าผ้าขนสัตว์สีแดงให้ไว้กับโสนกะกุมารบุตรปุโรหิตพระกุมารกุมารคือโสนกะกุมารเนี่ยนะมองดูเครื่องหมายก็รู้เลยว่าวันนี้นี่แหละอริธรมกุมารสหายเราผู้เป็นที่รักของเราจะได้เป็นพระราชาครอบครองคารณะสีคือว่าเขามีวิชาทำนิมิตเครื่องหมายนะจาก เครื่องหมายต่างๆดูปั๊บอธิบายได้เลยว่าข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะได้รับพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีก็คื อ, คอเพื่อนเป็นพระราชาเราก็เป็นเสนาบดีกุมารทั้งสองเนี่ยพอเห็นเครื่องหมายเหล่านั้นนะโดยเฉพาะโสนกะกุมารเนี่ยรู้เห็นเครื่องหมายเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังก็ทั้งสองก็นั่งทำพัตกิจก็คือทานอาหารกันไป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 ผู้ปกครองแผ่นดินดีก็คือก็เลยคิดว่าถ้าหาว่าให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งขึ้นมันต้องมีจราจนขึ้นเพราะว่าถ้าแต่งตั้งคนหนึ่งแล้วเอาใครมาตั้งมันก็มีอคติต่อการและการนมันก็เลยไม่ตกลงกันในที่สุดเอาอยางงี้ดีกว่าปล่อยพุทสิรารถดีกว่าเนี่ยนะที่ที่มาของราชรถมาเกยเนี่ยนะมันก็เลยคิดจะปล่อยรถมา แต่ละคนเนี่ยนะอธิษฐานในใจขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราแต่แม่รถม้าก็สแสวงหาผู้มีบุญเนี่ยนะก็คือมีการอธิษฐานบนบานสารบ้านสารเมืองเบ็ดเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะอธิษฐานเทพพญดาฟ้าดินเอาหมดทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปล่อยรถนั้นไปพุทยารถนั้นก็เล่นไปสู่ไปหาท่านผู้ควรแก่ราชสมบัติคนที่มีบุญพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้พุทยารถนั้นออกจากพระนครเล่นไปยังอุทยานโดยลําดับ กลับที่ประตูทยานแล้วก็หยุดเตรียมรับท่านผู้สมควรครอบครองราชสมบัติให้ขึ้นไปครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็นอนคลมุมศีรษะอยู่บนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลก็คือว่านอนอยู่บนแผ่นหินน่นนะโซนา ก, ากุมาลก็นั่งอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์นั่นแล้วโซนา ก, ากุมารได้ยินเสียงดนตรีก็ดําเริว่าพุทธยรตมาถึงอรินธรมกุมารวันนี้เธอจะเป็นพระราชา ว, วันนี้แหละจักพระราชาทานตําแหน่งเสนาบดีให้แก่เรา แต่เราไม่ต้องการด้วยอิสริยยศเลยไม่ต้องการเมื่อพระกุมาร น, นั้นเสด็จไปแล้วเราจะบวชใจของตัวเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวเนี่ยนะมันให้เพื่อนครองบ้านของเมืองไว้เถอะเราบวช ด, ดีกว่าเสร็จแล้วได้ไปยืปยนแอบอยู่นะที่กำบังส่วนแห่งหนึ่งข้างหนึ่งอนะก็คือให้เอาเพื่อนไปอะตัวเองก็หลบไปก่อนปุโรหิตก็เข้าไปยังพระอุทยานเห็นพระโพธิสัตว์หลับอยู่ก็ให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้น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 ท่านปุโรหิตก็ประคองอัญเชลีกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่สมมุติเทพเรียกว่าสมมุติเทวดาเรายกย่องว่าเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เนี่ยนะราชสมบัติถึงแก่พระองค์แลพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าราชตระกูลเนี่ยนะไม่มีพระราชโอรสหรือปุโรหิตก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าคือไม่มีพระราชโอรสพระโพธิสัตว์ก็ตอบรับว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวจะปกครองให้ลำดับนั้นประชาชนทั้งหลายก็พากันอภิเสกพระโพธิสัตว์ ในพระอุทยานนั่นทีเดียวแล้วก็เชิญให้ขึ้นรถกลับเข้าสู่พระนครด้วยบริวารใหญ่พระโพธิสัตว์ลืมเพื่อนเลยเนี่ยนะตัวเองได้ดิบได้ดีก็ ล, ลืมเพื่อนเพื่อนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นก็กทําประทักษิณพระนครแค่วาเวียนรอบขวาพระนครเสร็จแล้วก็ขึ้นสู่ปราศาสพระองค์ไม่ได้ระลึกถึงโสนกะกุมารเพราะความมีอิสริยยศใหญ่คุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีลืมเพื่อนเลยว่างั้น ฝ่ายโซนกกะกูมานนั้นเมื่อพระโพ ธ, ธิสัตว์เข้าไปสู่พระคนครแล้วตนเองก็กลับมานั่งที่แผ่นศิลาแผ่นหิน น, นะแผ่นหินอันนั้นแหละลำดับนั้นใบไม้สีเหลืองแห่งต้นสาละก็หลุดร่วงจากขั้วลงตรงหน้ากุมานนั้นใบไม้ร่วงหล่นต่อหน้าเขาพอได้เห็นใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหล่นนั้นแล้วก็คิดว่าใบไม้นั้นน่ะหล่นลงชันใดแม้สรีระของเราก็ถึงชรา หล่นไปฉะนั้นก็เริ่มตั้งวิปัสสนาว่าชารามรณะนะขึ้นต้นด้วยชารามรณะชารามรณะมาจากไหนก็มาจากชาติก็พิจารณาอริยสัจเนี่ยนะเจริญวิปัสสนาอนิจจาลักษณะเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์หปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมก็บรรลุเป็นพระปเจกพรพุทธเจ้าขณะนั้นนั่นเองเพศเครืัดของกุมารนั้นก็อันตรทานไปเพศบรรปะชิตก็ปรากฏมาแทน พระปเจกกับพุทธเจ้านั้นก็เปล่งอุทานว่าบัดนี้พบใหม่ของเราไม่มีนัตถิชานิปูนภวังคนบัดนี้ชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วปฏิสนธิพบใหม่ไม่มีแล้วก็ได้ไปยังเงื้อมเขาชื่อวันนั้นท่ามูลกะฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นระลึกถึงพระประเจกับพุทธเจ้านั้นได้โดยล่วงไปประมาณสิบปีเอ่อสี่สิบปีแหมสเสวยราจะสมบัตินี่นะเต็มไปด้วยสนมกำนันบริวารบุตรอุยลืมเลยนะ สี่ิปีผ่านไปยังนึกได้เออเรามีเพื่อนโอ้ยอะไรจะเมาขนาดนั้นนะทีนี้พอระลึกได้นะนะผ่านไปสี่สิปีพอระลึกได้ก็เลยถึงว่าโสพูดถึงว่าพระโสนะบ่อยๆว่าโสนกะสหายเราไปไหนเนาะโสนกะสหายเราไปไหนไม่ได้ข่าวที่ใครจะกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าหรือข้าพเจ้าได้พบเห็น ประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์ที่มีพื้นกว้างใหญ่อันประดับประดาแล้วเป็นผู้อันเหล่าชนผู้ประโคมฟ้อนรําขับร้องเป็นต้นแวดล้อมสเสวยสมบัติอยู่ก็คิดว่าผู้ใดได้ยินในสํานักแห่งใครๆแล้วบอกแก่เรา ว, ว่าโสน โ, โสนากากุมารอยู่ในที่ชื่อโน้นดังนี้เราจะให้ทรับร้อยหนึ่งแก่ผู้นั้นคือก็เทียบว่าอยากจะบอกเล่าเกินน่อนะว่าใครรู้จัก หรือได้พบได้เห็นเนี่ยนะบอกว่าโสนกะอยู่ที่ไหนให้ร้อยหนึ่งทันทีร้อยสมัยนั้นนี่เยอะมากเป็นแสนสมัยนี่แหละเพราะผู้ใดเห็นด้วยตนเองบอกแกเราจะให้ผู้นั้นพันหนึ่งหมายค่ะว่าถ้าได้ข่าวเฉยๆนะั้นเล่าข่าวให้ฟังให้ร้อยหนึ่งพบเห็นให้ตัวเองให้พันหนึ่งะแกผู้นั้นอย่างนี้ก็เลยนิพน์แต่งแต่งอุทานแต่งบทเพลงขึ้นมาเป็นบทเพลงหนึ่งร้องเป็นบทเพลงอ่ะนะไม่รู้ฟังแล้วเป็นเพลงไนดะ้ยังไงแต่ก็เป็นกรอนแขรนะ์กันะกรอนอินเดียนะ แปลเป็นภาษาเราว่าเราจะให้ทรับร้อยหนึ่งแก่ใครๆใๆผู้ได้ยินข่าวแล้วมาบอกแก่เราใครพบโสนากะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วมาบอกแก่เราเราจะให้ทรับพันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโสนากะนั้น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 เพราะก็อะไรนะเพราะอยากจะเอาใจพระราชาด้วยนะแล้วก็เลยรอชวนกันร้องเพลงนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งชาวพระนครชาวชนบทร้องเพลงนี้กันหมดเลยพระราชานี่ขับเพลงนั้นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันโดยล่วงไปเป็นเวลาประมาณห้ปีเนี่ยนะพระราชาพระองค์นั้นก็จนตอนหลังก็มีพระโอรสมีทิดาลัยองค์ด้วยกันพระโอรสองค์ใหญ่มีนามว่าทีคาวุกุมารครั้งนั้นพระโสดกาปัเจกขพุทธเจ้า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 มันก็ผ่านไปห้าสิบปีก็เลยคิดถึงเพื่อนเก่าอพอจะสงเคราะห์ได้แล้วก็เลยห อ, อกมาด้วยริดนั่งในอุทยานเด็กชายมีผมห้าแยมเนี่ยนะก็พว ก, พวกไอจ้จกไอ้แกละนะอายุเจขวบมารดาเนี่ยชัยก็ไปหาฟืนในป่าใกล้อุทยานก็ไปขับเพลงขับนั่นบ่อยๆนะเด็กยังร้องได้เลยเพลงนี้งั้น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 ส่วนใครได้พบโสนกะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันอั น, น, นเขาพบแล้วมาบอกแก่เราด้วยตนเองเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโสนกะนั้นพอพระราชาร้องอย่างนี้เสร็จแล้วเด็กที่มีเด็กที่มีผมห้าแยมเนี่ยนะก็ขับตอบร้องเป็นคาถาว่า